สสะโภชนะสิกขาบท 96. ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้เข้าไปนั่งแทรกแซงในตระกูลที่มีคนสองคนณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารพท่านพระอุ ป, ปนันทะสากยะบุตรถามเพราะเรื่องอะไร